เราก็อยู่กันเป็นชุมชนนะเป็นชุมชน <c oughs> เป็นหมู่คณะนะพรเราก็มีจุดหมายนะเดียวกันนะ <c oughs> คือการปฏิบัติธรรมนะ <c oughs> เพื่อ <c oughs> เพื่อความพ้นทุกขนะ์เนาะเราก็ต้องตั้งเป้าหมายตรง น, นี้ให้ของเราให้ชัดเจนนะ <c oughs> ว่า เ, <c oughs> เราเรามาอยู่ที่นี่นะ หรือบางครั้งเราไม่ได้อยู่ที่นี่นะแต่เป้าหมายชีวิตของเราคือการปฏิบัติธรรมนะการฝึกฝนตนเองนะการพัฒนาจิตใจนะเพื่อให้เข้าถึงความพ้นทุกนะนะถ้าเรามีมีเป้าหมายแบบนี้ไว้ในใจของเราอยู่เสมอนะเราก็จะไม่ลืมเราก็จะไม่ค่อยลืมตัว เวลาเราทำอย่างอื่นหรือเวลาเราออกไปที่อื่นนะเราก็จะไม่ลืมนะพอไม่งั้นบางทีเราก็จะเออเราก็จะปฏิบัติธรรมเฉพาะตอนตอนที่เราปฏิบัติในรูปแบบนะหรือว่าตอนที่เรานะอยู่ในคอร์สนะี้ยแต่ที่เหลือก็อาจจะลืมปฏิบัติธรรมได้ไม่ง่าย แต่ถ้าเราตั้งเป้าหมายของเราเองนะแล้วก็ในการปฏิบัติในรูปแบบเออเราก็ทําเต็มที่นะแล้วก็เนะี่ยมันเก็บเกี่ยวความรู้สึกตัวเนะีนะ่ยเนี่ยในอีเดียบทเนะี่ยทุกขณะนะแต่ทําแบบสบายๆนะทําแบบเรื่อยๆนะแต่รู้บ่อยๆรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆนะ มันรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็จบนะไม่ไม่ต้องแบบกลัวว่ามันจะความรู้จะหายนะที่จริงมันเหมือนเราหายใจเข้าหายใจออกมันมันต้องเป็นจังหวะที่ต้องเปลี่ยนนะมันหายใจเข้าไปก็ต้องก็ต้องพอนะมันฝืนมากกว่า น, นั้นก็ไม่ได้นะก็ต้องหายใจออกใหม่นะหายใจเข้าใหม่นะ เหมือนถ้าเรารู้จะเอาอยางเดียวเนี่ยนะมันก็เหมือนเราหายใจเข้าอย่างเดียวเนี่ยมันก็มันก็ฝืนธรมธนะธรมชาตินะผิดธรรมชาตินะเรารู้แล้วเราก็จบนะแล้วก็รู้ใหม่นะรู้ใหม่แบบนี้นะคือไม่ได้บอกว่าจะจบหรอกนะแต่มันเหมือนเป็นรู้เป็นครั้งเป็นครั้งเป็นครั้งไปเนะีนะ่ยมันก็จะเป็นของใหม่เรื่อยๆนะแ ล, Bloody. แล้วมันก็จะไม่ฝืนธรรมชาตินะ เพราะธรรมดาของของตัวรู้นะของสติมันก็มันก็เป็นขณะจิตเหมือนกันครับนะมันก็เกิดขึ้นทีละขณะทีละขณะทีละขณะนะมันเกิดขึ้นที่ปัจจุบันเท่านั้นนะอดีตก็ผ่านไปแล้วอนาคตก็ยังไม่มานะสติในอดีตมันก็จบไปแล้วนะสติในอนาคตมันก็ยังไม่เกิดขึ้นนะ มีแต่สติที่ปัจจุบันนะแค่นั้นนะเวลาเรารู้ตัวนะวเราเราฝึกนะสติเราก็เราก็จะเอาสติตอนนี้ไปคอยดูอารมณ์ในอนาคตนะนะคือบางทีการปฏิบัติถ้าเราถ้าเราอยากรู้มากเกินไปนะหรือว่าเรา ไม่อยากให้มันหลงเราอยากให้มันรู้แบบต่อเนื่องบางทีมันจะกลายเป็นเราค่อยเอาใจไปคอยรู้นะนะไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่นะอือย่างบางทีนั่งดูลมหายใจเนะี่ยเราก็พอนั่งนิ่งๆแล้วนยะเอาใจคอยดูนะคอยดูลมหายใจนะมันจะเข้ามันจะออกก็ดูไปดอดูก่อนนะ เราจะพิกมือสร้างจังหวะก็ดีก็ไม่ต้องเอาใจไปคอยอยู่ที่มือนะเวลามันจะพิกเวลามันจะยกมันืนนะี่จะเดินยางกงก็เหมือนกันพอยืนแล้วก็ก็สบายๆนะไม่ต้องเอาใจไปคอยดูอยู่ที่เท้านะ่ะอันนั้นคือว่าเราส่งใจไปรอไปคอยนะที่จะดูในอนาคตนะแม้อนาคตันมันจะ อีกไม่กี่เสี้ยววินาทีข้างหน้านะมันก็คืออนาคตนะคือมันยังไม่เกิดขึ้นจริงนะแต่ให้เราดูสิ่งที่มันอยู่จริงในปัจจุบันนะเช่นเรายืนนะก็รู้สึกตัวขนาดที่ยืนเลยนะไม่ต้องไปคอยดูตอนที่มันจะเดินนะเรานั่งอยู่ในท่ามือที่มันพร้อมเตรียมพร้อมเนะีนะ่ย เราก็รู้สึกตัวในท่านั่งนยะมือวางไว้ที่หัวเข่าทั้งสองข้างนะเราก็รู้สึกที่ตรงนี้เลยนะรู้สึกอยู่กับตรงนี้นะถ้าเราจะขยับก็รู้สึกในการขยับตัวเลยนะพอเป็นพิกขึ้นมาปุ๊บนะก็สติก็เกิดขึ้นขณะที่พิกนะพอยกปุ๊บสติก็เกิดขึ้นขณะที่ยกนะเป็นปัจจุบันนะไม่ต้องเอาใจไปคอยก่อนรอก่อน แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ต้องเอาไปใจไปคอยพูดตามนะเออเราพลิกแล้วเรายกแล้วนะ เ, ออเราเดินแล้วอไรแบนั้นเนาะมันหายใจเข้าหนะ้าอะไรแบบนั้นนะคือทางวิธีของเราก็ไม่เน้นว่าเราจะต้องไปบริกรรมไปพูดกากับนะมันจบไปแล้วนะก็รู้สึกตรงนั้นรู้สึกที่ตรงไหน ก็รู้สึกขณะที่หยุดนะมันหยุดก็รู้สึกขณะที่หยุดนะนี่ยคือเราไม่ต้องไปเอาใจไปพูดว่าเมื่อกี้มันยกมือเมื่อกี้มันเดินอะไรนะถ้าสติจริงๆก็คือมันมันเคลื่อนสติก็รู้ขณะที่เคลื่อนมันหยุดสติก็รู้ขณะที่หยุดนะนะมันรู้เป็นปัจจุบันไปเลยนะ โดยที่ไม่มีคำพูดนะถ้าจะเป็นคำพูดก็แค่สมมติพูดให้เข้าใจกันจริงๆแต่สติมันก็รู้แบบนี้นรู้แบบสบายๆเลยนะแต่ถ้าเราไปแบบไปตั้งใจมากมันจะอึดอัดนะเคลื่อนไปรู้แบบตั้งใจเกินไปก็อึดอัดนะหยุดไปตั้งใจมากเกินไปก็อึดอัดนะเป็นธรรมผิดธรรมชาตินะแต่ให้เรามีการเคลื่อนไหวที่พอดีกับตัวเราเองนะ แต่ละคนก็อาจจะเคลื่อนไหวหรือหยุดแบบไหนสบายของเราก็เราก็สังเกตเอานะสังเกตเอาก็แต่แบบเนี้ยมันสติมันจะรู้เป็นปัจจุบันไปทีละขณะนะเคลื่อนก็ขนาดหนึง่งก็รู้ขนาดหนึง่งหยุดก็ขนาดหนึ่งก็รนะูนะ้ขนาดหนึ่งนะนะครูบาอาจารย์ก็เลยบอกว่าเนี่ยนะนะเคลื่อนก็รู้หยุดก็รู้นะ แต่ถ้าคนใหม่ๆบางทีจะเอาทั้งสองอย่างมันก็อาจจะอึดอัดไปก็บางทีก็อาจจะเอาที่มันชัดสักอย่างหนึ่งก่อนก็ได้นะเอาใจเคลื่อนอย่างเดียวแล้วก็รู้ไปก็ได้มันมันก็อาจจะห่างนิดนึงแต่เพื่อจริงก็ไม่เป็นไรนะมันถ้ามันทำแล้วมันไม่อึดอัดนะมันก็มันจะทำให้รู้สึกว่ามันเกิดความพอใจในการทำ แต่ถ้าทําว่ามันอึดอัดเกินไปเนี่ยมันก็จะเบื่อมันก็จะเครียดได้ง่ายมันก็จะท้อเลย น, นะอือันนี้ยก็เราก็ดูตัวเราเองน ะ, นะการรู้กายการรู้ร่างกายรู้รูปเนะี่ยคือการที่เรารู้ลงที่ปัจจุบันนะเริ่มแรกเราก็รู้ที่มันเป็นเรียกว่าเนี่ยเป็นกิริยาของของกายเนี่ยนะเอแต่จริงก็เพื่อให้มันรู้ให้เห็นว่า นในกายเนี่ยมันเป็นทุกข์อย่างไรนะอืมในกายเนี่ยในรูปเนี่ยมันมีทุกข์นะที่จริงในรูปเนี้ยมันไม่ใช่อะไรเลยนะมันไม่ได้มีจะเรียกว่าอะไรมันก็เป็นเพียงแค่เครื่องมือเป็นแค่วัตถุนะรูปเขาไม่ได้ทําชั่วรูปเขาไม่ได้ทําดีนะแต่เพราะนามเนี่ยมันเป็นคนสั่งอืม สั่งให้รูปทำนะสั่งให้รูปทำชั่วทําให้รูปทำดีอ๋อที่จริงเหมือนเราเหมือนเราจะเหมือนเราทําผิดอะไรนะแล้วบางทีเราก็ทําโทษตัวเองนะในการทําโทษรูกนะที่จริงรูปเขาไม่ได้มีความผิดนะหรือเราเห็นคนอื่นเขาทาผิดนะเราก็บางทีเราก็ไปนเน้นนะไปลงโทษเขาที่รูปนะที่ร่างกาย แต่จริงรูปมันก็เป็นแค่รูปนะสักแต่ว่ารูปมันไม่ได้มันก็ถูกใจนู่นแหละนะ่ะที่มันที่มันบงการนะอเหมือนที่หลวงพ่อเทียนนะท่านตอนที่ท่านแยกรูปแยกนามได้ที่อืมแมงป่องแมลกอ่อนตกลงมาที่ขาหนะเดินจงกรมอยู่นะ่ะรูปนะรูปที่เดินก็อันหนึง่ง รูปของแมงป่องแล้วก็ลูกของมันก็อันหนึ่งเนี่ยที่ยิงรูปกับรูปนะมันมากระทบกันเน่ะมันก็ถ้าเราเปรียตเสมือนนะเหมือนคล้ายๆเหมือนกองนะกับไม้นะสูงแค่มันกระทบเฉยๆเนี่ยมันก็จะไม่เกิดเสียงดังอะไรมากมายหรอกมันก็นิดหนึงเนี่ยมันกระทบเฉย แปะออกไปนะมันก็ไม่เกิดอะไรหรอกนะแต่นามเนี่แหละคือใจเช่นใจถ้ามันกลัวใจถ้ามันเกลียดใจถ้ามันโกรธมันก็จะทำร้ายกันคล้ายๆเหมือนกับกองคนจะตีกองมันต้องมีอารมณ์เข้าไปตีเนี่ยเป็นจังหวะเป็นนั่นเป็นนี่มันก็เลยเกิดเสียงดังขึ้นมาแต่จริงไม้กองนะกับกองมันกระทบกันเฉยๆเนี่ยมันก็วางอยู่ก็ ด้วยการแบบนั้นแหละนะแต่คนจับไม้กรองมาตีมันก็เลยเกิดเป็นเสียงใจนี่นะนะที่สั่งกายให้ทำนั่นทำนี่นะมันก็เลยเกิดเป็นเป็นกรรมดีกรรมไม่ดีขึ้นมาแต่จริงดยรูปแล้วมันไม่ได้เป็นอะไรหรอกมันก็เป็นแค่วัตถุอย่างหนึ่งเป็นรูปอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็เห็นว่าที่จริงมันก็เป็นเพียงแค่วัตถุอย่างหนึ่งนะ มันเคลื่อนไหวไปมามันทํานั่นทํานี่นะมันก็เห็นเราก็ใส่รูปเป็นเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ในการรู้ตัวเนาะเป็นตัวเหมือนคล้ายๆเป็นบ้านนะเป็นบ้านของใจนะใจิตใจถ้ามันไม่มีรูปก็ไม่ได้เหมือนกันนะมันก็ล่องลอยไปเรื่อยนะเราก็ใส่รูปนะเป็นบ้านของใจนะก็มีประโยชน์นะแต่เพียงว่ารูปมันก็เป็นสักแต่ว่าอย่างนั้นแหละนะ แต่เราก็ใส่รูปนี่แหละเป็นบ้านเป็นที่อยู่เนะี่ยเป็นเครื่องด ล, ลึกรู้เนะี่ยเวลาลูบเคลื่อนไหวใจรู้เนะี่ยเวลารูปเขามีทุกข์นะ่ะก็ใจเป็นผู้รู้นะเนี่ยแวลรูปเขาเผลอไปทําอะไรที่ไม่ทันได้ระวังตัวนะก็มีสติคอยรู้ทันนะ่ะอืบางทีก็ทําไปตามอัตโนมัติเนะบางทีก็มีความเคยชินที่เราสะสมมาทําแบบ อัตโนมัติก็ดื่มตัวนะรูปมันก็ทําได้ของมันเองนะที่จริงก็ไม่ใช่ขบวนขนาดนะ้นแต่มันเหมือนสมองสมองหรือว่าจิตใต้ํานึกมันสั่งการทํา ง, งานของมันเองเนะไม่ใช่สติเป็นคนสนะอืงเหมือนเราสัญชาตญาณเนี่ยพอปวดปุ๊บนะก็เปลี่ยนปั๊บอะเนะี่ยอืมพอคันปุ๊บก็เกาปับนะ๊ บ, บนีะอะไรแบบเนี้ยมันมันเป็นสัญชาตญาณที่ ที่เราสะสมเนาะบางอย่างมันก็ดีนะอย่างเช่นมันถูกความร้อนนะ่ะถูกน้ําร้อนแก้วน้ำร้อ น, น, อนมันก็มันก็ปล่อยมือปั๊บเลยเ อ, อ่มันก็ได้ออกมาครับอันนี้คือถ้ารูปเราปกตินะสัญชาตญาณยังปกติอยู่แต่ถ้าเป็นคนพิการนะไม่รับรู้รสชาติหรือเคลื่อนไหวไม่ได้แล้วเนะี่ยมันก็ออกมาไม่ได้เนาะเนี่ยรูปนะ มันก็ทำหน้าที่แบบนั้นนะแต่บางอย่างมันทำจนกระทั่งมันดืมตัวไปเลยนะทำเป็นแบบทำแต่ตามสัญชาตญาณนะจิตใจร่องรอยไปที่อื่นก็ไม่รู้ตัวหรือทำแบบทำไปด้วยก็ยังคิดไปด้วยได้เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยแสดงว่ากำลังสติเราไม่พอนะ เช่นเราเดินนะมันก็รู้สึกตัวว่าเดินจะแต่มันแบบเบาๆผิวๆเพลินๆแต่ก็ยังคิดเป็นเรื่องเป็นราเป็นโปรเจกต์ได้อยู่เนะี่ยถ้าแบบนี้นะมันเหมือนมันขนานกันนะเดินก็เดินคิดก็คิดแบบขนานยาวเลยแบบนั้นนะถ้าแบบนี้นะแสงวาสติมันไม่พอนะถ้าสติมันพอเนะี่ยมันต้องหยุดนะความคิดมันต้องหยุดนะมันต้องถูกเบรกนะนะ มันไม่ใช่เพียงแค่แบบแค่หยุดชั่วคราวแบบพอสอ่ะแบบเวลาดูวีโอพอสนิดนึงแล้วมันก็ต่อไปได้เลยไม่ใช่นะแต่มันต้องพอถ้าสติมันพอนี่มันจะหยุดนะตัดนะตั ด, ตด ท, ทันทีถ้ามันจะเกิดขึ้นก็เหมือนมันเกิดเหมือนเกิดใหม่อ่ไม่ใช่ว่ามันเกิดแบบต่อไปนะะเพราฉนั้นเราถ้าเราเห็นมบบนี้นรู้สึกว่าโอ้แสดงว่าสติไม่พอเนะี่ย กลับมาดูร่างกายให้เยอะขึ้นนะแต่ไม่ใช่ว่าต้องห้ามว่ามันจะต้องไม่คิดนะไม่ใช่แต่เพียงอ้อให้ดูว่าสติมันไม่พอล้วก็กลับมาดูกายให้มันชัดขึ้นนะ่ะมีเจตนามีตั้งใจที่จะดูกายให้มันชัดขึ้นนะ่ะมันจะได้เพิ่มกำลังของของฐานรูปนี่แหละนะในการรู้รูปให้มันมีกำลังมากขึ้น ความคิดมันก็จะได้ไม่ไม่ดึงไม่กเกินไปนะคล้ายๆเหมือนถ้าคล้ายๆเหมือนชั ก, กเยอะนะนะเหมือนคู่แข่งเขาแบบแรงเยอะเราเองก็ต้องเราถ้าเราปล่อยไปเลยเนะี่ยก็ถูกเขาดึงไปวนะันนี้ก็ต้องดึงเขาคืนมาบ้าง น, นะด้วยกำลังที่แรงกว่าเขาหรืออย่างน้อยก็เท่าเขามันถึงจะดึงกลับมาได้ แล้วความคิดมันมากๆมันลากไปไกลเนี่ยมันก็คือกําลังสติมันอ่อนเนาะเราก็ต้องเออเพิ่มกำลังสติให้มันมากขึ้นแต่ถ้าบางทีมันคิดแวบนิดหน่อยก็ดูละดูแบบดูได้มันก็จบง่ายๆไม่ได้ยากมากไอ้แบบนั้นก็ไม่ต้องไปไปเพิ่มเจตนาอะไรมากเกินไปนเดี๋ยวมันจะกลายเป็นห้ามความคิดเกินไปนะที่จริงมันคิดแล้วเราก็เห็นมันคิดเนี่ย ก็ไม่ผิดนะออในแต่ละวันบางทีก็จะเห็นความคิดมันแทรกเข้ามาเพราะทียาบทของเราแม้มันจะต่อเนื่องก็จริงนะแต่โดยสภาวะจิตมันจิตมันมันรับรู้อารมณ์ได้ทีได้อะมันรู้สึกแล้วก็จบไปรู้สึกแล้วก็จบไปะบางทีความคิดก็เข้ามาแทรกได้อารมณ์ก็เข้ามาแทรกได้แต่ก็ไม่เป็นไรนะพอมันแทรกปุ๊บเราก็เห็นว่ามันแทรกนะ มันก็คือสติอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะสติก็จะเข้าไปรู้นามาทำนะมันปุมขึ้นมานะมันชอบเข้ามามันไม่ชอบเข้ามามันสุขเข้ามามันทุกข์เข้ามาหรือบางทีมันก็เข้ามาแบบเราก็เรียกชื่อมันไม่ได้หรอกมันแค่แวบๆเป็นอะไรก็ไม่รู้นะรู้สึกแวบๆขึ้นในใจนะรู้สึกใจมันเคลื่อนออกไปน่ะเคลื่อนออกไปนิดนึงละน่ะ แบบนี้ก็มีนะออหรือบางทีก็แบบคิดไปไกลแล้วก็ใช่รูออ้มันเบรกหัวทิ่มหัวต่ำก็มีนะมันก็มันก็เป็ น, ม, น, ปนมันก็เป็นธรรมชาตินะออรู้กายบ้างรู้ใจบ้างนะสลับกันไปนะบางทีทำในรูปแบบก็อาจจะรู้รู้ได้บ่อยรู้ได้ละเอียดขึ้นนะแต่ทำนอกรูปแบบบางทีก็ มันก็อาจจะดูไม่ไม่ละเอียดเท่านะแต่เราก็อาศัยรู้แบบเป็นภาพรวมๆของมันเนาะนะแต่เราจะหยิบจะจับจะทําอะไรก็รู้สึกตัวไปแบบตามธรรมชาตินะนะเคลื่อนไหวธรรมชาติก็รู้สึกตัวเห็นร่างกายทั้งตัวก็ทำนั่นทะํานี่นะคือไม่ได้ไปรู้เฉพาะจะจมที่มือที่แขนที่อะไรรู้แบบรวมๆนะเห็นร่างกายเขาทำ ใจเป็นผู้รู้นะใจมันคิดเราก็รู้ทันนะใจมันรู้สึกอย่างไรนะถ้ามันเด่นขึ้นมาเราก็รู้นะเห็นว่ามันรู้สึกอย่างนั้นนะก็ไม่ต้องไปทําอะไรก็แค่รู้สึกว่ามันรู้สึกอย่างนั้นอะก็แค่นั้นนะนอมันก็จะเห็นว่าที่จริงนามมันก็เป็นอันนึงนะนามที่มันรู้สึกที่มันปรุงแต่งก็อันนึ่งนะแต่ใจที่รู้ มันก็อันหนึ่งนะมันก็เป็นอาการอย่างหนึ่งนะอาการทั้งหลายมันก็ไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงคือมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะอาการทั้งหลายมันก็เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยนะมันเป็นอนัตตาคือมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะแต่มันมีเหตุมีปัจจัยให้เกิดนะมันก็เลยเกิดหมดเหตุหมดปัจจัยมันก็ดับนยบังคับไม่ได้นะ เราก็เพียงแค่ทำให้ถูกตามเหตุตามปัจจัยนะเหตุปัจจัยแบบไหนทำให้ไม่ทุกข์แบบนี้เราก็ทำแบบนั้นนะก็จะเห็นว่าที่จริงที่มันทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะมันอยากนะทุกข์เพราะมีตัณหานะตัณหามันหล่อเลี้ยงกิเลสนะกิเลสก็คืออะไรมันมีความโลภความโกรธความหลงนะมันมีความอยากนะ ที่มันรอเลียงไว้นะในความโลภเนะี่ยมันก็ถ้าโลภเฉยๆนะถ้าเรารู้ทันเนะี่ยมันก็ตกนะแต่เพราะเรายังอยากอ ย, กอยู่ในความโลภอยู่นะเช่นอยากนอนเหมอนนะอยากนอนเนมันก็ยังมีความโลภในการนอนอยู่มันก็มันก็อยากให้ไม่อยากตื่นเหนะ อยากกินนะมันก็ยังมีความโลภในการกินอยู่นะมันก็เลยไม่ละสักทีนะเพ อ, อความอยากนี่เองมันเป็นเหตุนะอยากคิดอลไรนะอยากคิดมันก็ยังรู้สึกสนุกในความคิดนี้อยู่นะนะความคิดก็เป็นความหลงนะถ้าคิดแบบ ล, ลอยๆไปเรื่อยหรือบางทีก็คิดพยาบาทก็มีคิดในเชิงความรักความชังก็มีอันนั้นก็แล้วแต่ แต่ก็มันก็มีเจอว่าเราอยากจะคิดมันต่อเออเรายังอยากจะอยู่ในอารมณ์นั้นต่อนี่อ๋ออันนี้คือเหตุเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์นะเพราะยังมีความอยากนะอยากอยู่ในอารมณ์นั้นๆอยากอยู่ในกิเลสนั้นๆอยู่นะไม่อยากสดัดออกมานะนั้นที่จริงสตินะพอมันรู้ทันมันจะเกิดสภาวะที่เรียกว่า เกิดการสะระนะเกิดการละเกิดการวางนะเกิดการปล่อยนะก็ปล่อยอะไรปล่อยอารมณ์นั้นๆนะสะระอารมณ์นั้นๆนะละความอยากนั้นๆออกไปจากจิตใจนั่นแหละมันก็ดูดออกมานะนั้นภาวนาจริงๆก็คือเนี่ยการการที่จิตมันสลระอารมณ์ออกไปนะจากจิตใจเวลามันอยากเราก็วางมันได้หยุด ละมันได้แล้วเกิดกิเลสขึ้นมาเราก็สลัดมันออกได้นะสลัดนะคือไม่ให้มันเกาะเหมือนกำยุงมันมาบินมาตอมละไม่ให้มันเกาะะปัดมันออกไปเนี่ยไล่มันออกไปอะไรนอันนี้แต่เราก็ต้องทําด้วยท่าทีที่ไม่ใช่ว่าด้วยโทสะนะคําพูดแบบนี้ก็คือว่าเออก็รู้ว่ามันเปสิ่งแปลฟอร์มเข้ามาเนอไม่เขาไม่ให้เขาเกาะใจนะ ดูรับเป็สิ่งแปรปลอมเข้ามานะมีสติออกมาเป็นผู้ดูมันเนหะมือนเป็นการไม่ให้ไม่ให้ที่อยู่ของเขาเนหะมือนยุงเนะ่ยเขาอยากกินเราได้เขาต้องเกาะเราได้ก่อนนะไม่ให้เขาเกาะนะถ้าเขาไม่เกาะเขาก็ดูดเลือดไม่ได้อันนี้แหละนะที่อานภาวนาก็คือเนี่ยมันจะลงมาที่เรามาเห็นกิเลสเนี่ยแหละนะเห็นกิเลสนะ เห็นความยึดติดเห็นความเห็นตันหานะที่มันเป็นเหตุนะเป็นเชื้อนะเติมเข้าไปในความโลภความโกรธความหลงนี่แพอเห็นแล้วเราก็จะละละเหตุของความทุกข์นะะเหตุที่ทําให้กิเลสมันอยู่ในา น, นานๆเข้าไปก็คือความอยากความไม่อยากเนี่นแหละ เราก็ละตอนนั้นไปได้เนะ่ะกิเลสมันก็หลุดไปมันก็หลุดไปหลุดไปมันเกาะไม่ได้เนี่คือภาวนามันก็จะรวมเข้ามาเห็นเห็นตรงนี้แล้วนะความทุกข์มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะดับทุกข์ได้อย่างไรนะเราก็จะเกิดปัญญาตรงนี้แหละนะอืมมันจะเกิดปัญญาแล้วปัญญามันก็เป็นเครื่องนําพาจิตใจให้มันไม่ทุกข์เนาะ ไม่ใช่ว่าเราอยากจะไม่ทุกข์หรอกนะแต่เราทำเหตุถูกนะจิตใจเขาก็ไม่ทุกข์จิตใจเขาก็พ้นจากความทุกข์นะด้วยเหตุปัจจัยที่เราฝึกหัดนะดีแล้วนี่แหละเนาะแล้วนะก็ให้พวกเราทุกคนได้มันฝึกฝนตนเองเนาะทั้งในรูปแบบทั้งนอกรูปแบบนะจะอยู่ที่นี่ก็ตามหรือไปที่อื่นก็ตามนะ มันก็ฝึกฝนที่กายที่ใจของเราเนี่ยแหละไม่ใช่อยู่ที่ไห น, นก็ฝากไว้ครับ